ตระกถามหาปรินิพานสูตรทีคณิกายมหาวรคซึ่งก็ถือว่ารายละเอียดพุทธคุณเนี่ยนะที่เราศึกษากันคือศึกษาในเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าแต่จริงที่บรรยายมหาปรินิพานสูตรเนี่ยจริงสืบเนื่องมาจากบรรยายจริยาปิฎกซึ่งข้อปฏิบัติ ข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั้นทํากันอย่างไรเสร็จแล้วเมื่อพระองค์มีข้อปฏิบัติคือการสร้างบารมีทั้งสิบประการเหล่านั้นแล้วในระหว่างเหตุการณ์ที่สร้างบารมีนั้นเกิดเหตุการณ์เหล่าใดบ้างและพระองค์นั้นจะได้รับเป็นได้รับพยากรจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามาจากสำนักของพระพุทธเจ้ายี่สิบสี่พระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้รับ การรับรองมาแล้วนะพระพุทธเจ้า24พระองค์แล้วรับรองพระองค์ซึ่งพระพุทธเจ้าที่จกมีต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็คงออกมายืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วพัะได้รับการยอมรับจากพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาในอดีตทั้งหมดและที่จะมีต่อไปในอนาคตเพราะเป็นประเพณีเยี่ยงอย่างแบบอย่างของ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะนี่เรียกว่าเราก็ได้ศึกษาพุทธวงกันในก็มีรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาก็ได้เอามาหาประธานสูตรพระสูตรที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้านะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าวิปัสสีเมื่อเก้าสบเอดกัปที่แล้วเป็นต้นมาในมหาประทานสูตร นี่ก็อยากจะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานซึ่งก็ถือว่าช่องว่างใหญ่มากที่ยังไม่ได้เอามาแสดงก็คือพุทธกิจทั้งหลายแต่เราก็ค่อยๆเรียนไปเรียนพระสูตรนั้นพระสูตรนี้เพื่อให้เข้าใจในพระพุทธกิจต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญตลอดระยะเวลา 45, สาี่สิบห้าพรรษาแล้วก็จะว่าค่อยๆเรียบเรียงเรื่องของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่พระองค์ได้รับพุทธภรรยาเป็นต้นมา จนถึงธาตุอันตรธานนะนะมนถ้าเรามีความเข้าใจได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเท่าใดศรัทธาของเราที่มีต่อพระองค์ก็จะมั่นคงอย่างยิ่งผู้ทางสรารนางังคาฉามิก็กล่าวด้วยความเข้าใจไม่ใช่สักด์แต่ว่ากล่าวตามๆกันไปเราก็เป็นกลายเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระพุทธเจ้ามีความรอบรู้ในพระคุณของพระองค์ทั้งปุพพะจริยาคุณอดีต ท, ทั้งหมดที่พระองค์ได้เคยปฏิบัติมา ทัา น, นใครที่เรียนชาดกอ่านชาดกเป็นต้นก็จะได้จับเข้าในส่วนว่าเออนี่ในส่วนพระปุพพจริยาคุณนะอย่านีน้ก็จะเข้าใจทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ในส่วนของพระศรีระคุณถ้าหากว่าศึกษาจากหลายๆสถานที่หลายๆแห่งเราก็จะเข้าใจทราบซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นในพระศรีระคุณและกรรมเหาใดาบุญเหล่าใดา ที่ตกแต่งให้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยพระสริรัคุณเช่นนี้และต่อไปอีกเราก็พุทธกิจเนี่ยคือส่วนที่สำคัญกิจของพระพุทธเจ้าในการส่งเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนิยศาสทั้งหลายกิจอันนี้พระองค์ทำด้วยความกรุณาเนี่ยนะไม่ใช่ทำเพราะ แบบบังคับอะนะภาคบังคับมามีคนมาคอยบังคับมีคนมาคอยควบคุมมาคอยสั่งว่าถ้าท่านไม่ทํากิจอันนี้จะปลดจากพระพุทธเจ้าหรือถ้าหากว่าท่านไม่ทํากิจอันนี้ไม่มีคนยกท่านขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่มีเป็นกิจอันนี้กิจของพระองค์นั้นสําเร็จจากการุณามีกรุณาเป็นสมุทฐานมีกรุณาเป็นประฐานมุ่งที่จะเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ซึ่งพุทธกิจต่างๆเหล่านี้ เราจะเห็นได้ชัดจากการศึกษาพร ะ, ะพระสูตรต่างๆว่าพระองค์ไ ป, ปบำเพ็ญกิจแต่ละแห่งแต่ละแห่งนับตั้งแต่พระองค์แรกตรัสรู้จวบจนดับขันธปรินิพานพฤติกรรมทุกประการของพระองค์นั้นเป็นการบำเพ็ญกิจของผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตัวนี้ครั้งว่าหน้าที่อันนี้ที่พระองค์บำเพ็ญเนี่ยนะบำเพ็ญด้วยกรุณาเป็นสมุทฐานแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจตนาดีแล้วทําด้วยความโง่เขาบอกไม่ เป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดทำกิจทั้งปวงด้วยความฉลาดทำกิจทั้งปวงด้วยความรอบรู้และความเข้าใจเนี่ยนะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทำว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรและพระองค์เอามาสอนสอนอะไรและผู้ที่ถูกได้รับคำสอนไปแล้วเขาจะได้รับผลต่อไปอย่างไรเพราะพระองค์นี่เป็นผู้ที่รอบรู้ปัจจัยที่สุดเนี่ยนะพระองค์เข้าถึงปัจจัยและเข้าถึงผลแห่งปัจจัยว่าปัจจัยคือคาสอนของพระองค์หนึ่งค มันไปกระทบกับจิตใจของสรัรพพะสัตว์ทั้งหลายอย่างไรแล้วสรัรพพะสัตว์ทั้งหลายจะมีผลได้รับการบรรลุมรรคผลต่อไปในอนาคตอย่างไรมันถ้าพระองค์ตรัสออกไปหนึ่งสูตรมันมีผลกระทบไปหาจิตใจของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตในในสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่ถัดจากนั้นต่อต่อไปจนถึงสิ้นพระาศาสนาเป็นไปอย่างไรเพราะพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเหมือนกับกระแสะคลื่นที่ใหญ่มากนีนะ มันพระองค์ปล่อยกระแสเคลื่อนทีเน่เป็นผลของธรรมนี่นะจิตตชรูปที่มีสัพพัญยุตยานเป็นสมุทฐานเปล่งวาจาออกมากล่าวพระธรรมเทศนาเหล่าใดออกไปมีผลกระทบต่อจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไรในอนาคตอะไรข้อพึงระวังอะไรเป็นข้อพึงอนุญาต เป็นต้นพระองค์รอบรู้ในสิ่งที่พระองค์กระทำเป็นอย่างดีไม่ใช่ศักด์แต่ว่ากรุณาเหมือนอย่างว่าหมอผู้ใจบุญมีใจกรุณาเห็นคนไข้ก็สงสารและรู้ด้วยว่ารู้ยาที่วางออกไปหนึ่งเม็ดนั้น่ะที่เขาดื่มกินแล้วมันมีผลต่อไปอย่างไรในในอนาคตมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะข้อไหนเป็นข้อพึงระวังเป็นต้นท่านเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดรอบรู้ที่สุดใน กิจที่พระองค์ทําไปทั้งสิ่งที่พระองค์ทําไปนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวนะถ้ามีข้อแทกว่าอา้ามีบางคนก็เป็นบาปไม่ใช่หรือเขาเป็นอกุศลไม่ใช่หรือนะเขาใช้ธรรมะผิดประเภทแล้วมีโทษไม่ใช่หรืออันนั้นไม่ได้เกิดจากตัวคําสอนแต่เกิดจากว่าคนตาบอดเดินไปชนภูเขาเนี่ยเราจะไปโทษภูเขาได้ไหมภูเขาไม่ใช่เป็นสิ่งเล็กน้อยเลยเนี่ยนะ พั้นโทษผูเขาไม่ได้เนี่ยนะพูกเขาก็บอกอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรหรือเหมือนอย่างว่ายาเนี่ยเข้าปรุงเอาไว้อย่างถูกต้องแล้วตัวเองกินพลาดเนี่ยนะกินกินผิดประเภทแล้วเอาอย่างอื่นมาผสมเจือไปด้วยแล้วกินแล้วบอกว่ายาไม่ดีโทษยานั้นได้ไหมอาหารที่แสน จ, จะอร่อยร่อยตัวเองกินจนล้นคอห อ, หอยหรือว่ากินแบบแล้วเอายาพิษมารุ่มมาร่าแล้วก็ทานเข้าไป โทษอาหารที่ปรุงดีแล้วถูกต้องได้ไหมมันโทษทั้งปวงไม่ได้เกิดจากพระธรรมแต่เกิดจากบุคคลที่เข้าใจผิดในพระธรรมเนี่ยนะรัประโยชน์เหล่าใดที่ควรจะได้รับเขาก็เสื่อมจากประโยชน์เหล่านั้นความผิดอันนั้นไม่ใช่ความผิดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความผิดของคำสอนไม่ใช่ความผิดของพระอริยเจ้าเป็นความผิดของบุคคลผู้อ่าผู้ผู้เรียกว่าวิบัติทางทัศนคติวิบัติทาง ทิฐิเท่านั้นเองเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโทษส่วนบุคคลซึ่งบุคคลเหล่านั้นเขาก็ควรแก่การการุณา ม, มากกว่าที่จะควรประนามเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับยาทิษยาที่ดื่มแล้วหายจากพิษภยัยหายจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงแต่กลับไปราดยาพิษใส่ลงไปแล้วดื่มกินเนี่ยนะพันจะไปโทษยาเหล่านั้นไม่ได้เขาก็น่าสงสารแทนที่จะได้ดื่มยาที่บริสุทธิ์ก็กลับไปดื่มยาที่ผสมกับ อย่าพิสเข้ารัะเขาเนี่ยน่าสงสารน่าเห็นใจยาทั้งหลายก็คู่ควรแก่การขอบคุณอย่างเดียวพระรัตนตรัยโดยเฉพาะพระธรรมรัตนคําสอนของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะขอบคุณด้วยความเคารพเท่านั้นเองเ น, นะส่วนอย่างอื่นๆเราจะทำอย่างไรที่จะศึกษาและก็ปฏิบัติตามในีการเกิดขึ้นของพระองค์เนี่ยนะทบทวนอีกครั้งว่าพระองค์นั้นเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์เพื่อสงเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะตั้งแต่พระองค์บำเพ็ญบารมีจวบจนได้ตรัสรู้บำเพ็ญพระพุทธกิจทั้งหมดตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีจนดับขันธปรินิพานแม้แต่ก่อนจะปรินิพานกิจเหล่าใดที่เป็นกิจที่พระองค์ควรจะทํากิจเหล่านั้นพระองค์ได้ทําหมดแล้วเนี่ยนะอย่างเช่นกิจเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุทั้งหลายพระองค์ก็ได้ทําแล้ว กิจในด้านการพระธรรมในการช่วยเหลือพระธรรมบุคคลเหล่าใดที่จะเกื้อกูลต่อพระธรรมพระองค์ก็วางเอาไว้เสร็จสิ้นแล้วมันเลหลายอย่างเนี่ยกิจทั้งมวลของพระองค์เนี่ยทำด้วยดีแล้วเปรียบเหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ที่ทํากิจส่องสว่างท้องฟ้าในกลางวันส่องสว่างอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไปแล้วเมื่อล่วงลับไปแล้วดวงอาทิตย์ก็ชื่อว่าคล้อยไปดีแล้วฉันใดให้ความสว่างแล้วจากไปฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ ฉะนั้นพระองค์ได้ทำดวงตาให้เกิดขึ้นแก่โลกเนี่ยนะให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกเพราะธรรมะของพระองค์เนี่ยเหมาะกับผู้ที่มีดวงตาเนี่ยนะโดยเฉพาะมีตาปัญญามีบนว่าวาสนามาและคนที่พร้อมที่จะสร้างวาสนาอีกต่อๆไปนั้นพระองค์นั้นจึงทําทุกอย่างเพื่อเพื่อที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้าน พระธรรมคาสอนที่เป็นผลผลิตจากการแสดงธรรมของพระองค์ออกไปแล้วก็ในส่วนของร่างกายของพระองค์ส่วนใดที e. ่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์พระองค์ก็ทําสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อสรรพสัตว์เกเส้นเกสาเส้นผมทุกเส้นของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เส้ premier, นผมตอนที่ออกบวชก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื all, ่อเกลูลเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลาย ผ้านุ่งห่มวันออกบวชก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายอัดถาบริการข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างที่พระองค์ใช้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อสัรพะสัตว์ทั้งหลายการเยื้องไกลการยืนการเดินการนั่งการนอนของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อสัพพะสัตว์ทั้งหลายกายกรรมทั้งมวลของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อสัพพะสัตว์วจีกรรมตลอดจนถึงมโนกรรมของพระองค์ทุกอย่างเป็นไปเพื่อ ประโยชน์เพื่อกูลต่อสรัรพพสัตว์ทั้งสิ้นหมดเลยแล้วก็โดยที่สุดแม้แต่ศิริระเนี่ยนะอย่างที่กล่าวว่าเกสา ท, ทุกเส้นของพระองค์งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขต่อสัตว์โลมาเส้นขนทั้งหลายของพระองค์งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อสรัรพสัตเนี่ยนะแล้วก็พระทันตะฟันทั้งหลายก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อสัรพสัตเนี่ยนะอัติธาต์เนี่ยนะอัติทั้งหลายกระดูก ทั้งหมดทุกส่วนของร่างกายของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์กระดูกเหล่านั้นถึงจะเล็กน้อยเนี่ยนะเล็กน้อยเท่าปลายอา่าครว่าเท่าเมล็ดพันธุ์ถักาศกระดูกเหล่านั้นก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ขอแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือแม้กระทั่งวายาว่าถึงอย่างนั้นเลยธนามที่ตวงธาตุก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลาย อังคารขี้เท่าเหงือนกัน่ะขี้เท่าที่ประชมพระเพลิงก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลต่อสัรพสัตว์ทั้งหลายขณะเดียวกันรวมถึงสถานที่ทั้งหลายทั้งปวงสถานที่ที่พระองค์บำเพ็ญพุทธกิจที่พระองค์สถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้ความที่พระองค์ไปอาศัยสถานที่ตรงนั้นตรัสรู้สถานที่ตรงนั้นกลายเป็นสถานที่พิเศษตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวที่ดีอะไรเป็นอัพยากตรธรรม แต่เนื่องจากบุคคลผู้มีบุญไปใช้สอยบำเพ็ญภาคเพียรบารมีจนได้ตรัสรู้สถานที่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่พิเศษเนี่ยนะเป็นที่บุคคลใดเข้าไปเคารพสการะนับถือบูชากราบไหว้สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อก้ลแม้กระทั่งรอยเท้ารอยพระพุทธบาทเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแกสัพสัตทั้งหลายการอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันสรุปว่าทุกเรื่อง พฤติกรรมทุกอย่างสรีระในส่วนต่างๆของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุกแก่สัตวรพสัต ท, ทั้งหลายจริงๆเนี่ยนะสหรับผู้ที่มีบุญวาสนาสั่งสมอัธยาศัยที่จะเข้าใจพระพุทธคุณที่จะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้รับเอาพระธรรมคำสอนเนี่ยนะซึ่งคำสอนอ น, นั้นเนี่ยเป็นคำสอนเรื่องศีลผู้ที่รับจากพระพุทธเจ้าก็จะได้ศีลพระพุทธเจ้าสอนโพธิปักกิยธรรม ผู้ที่ฟังเขาก็เจริญโพธิปัจจะธรรมได้บุคคลเหล่านั้นก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จะพระรตนะตรายจากพระพุทธเจ้าเมื่อประโยชน์เหล่านี้เนี่ยนะที่เขาได้รับประโยชน์เหล่านี้แหละที่จะเป็นไปเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแก่พวกเขาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะบางพวกก็เป็นบุญเป็นวาสนาตรัสรู้ได้อย่างเร็วพลันบางคนก็ตรัสรู้ได้อ่าค่อยๆถัดกันไปเนี่ยนะตามลําดับ บางท่านก็อาจจะภายในกลับนี้บางท่านอีกหลายกับแต่ถึงอย่างไรก็ตามบุญกุศลคุณงามความดีที่เขาบูชาและปฏิบัติตามคําสอนบูชาด้วยวัตถุหรือบูชาด้วยการปฏิบัติก็ตามบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสก็ตามสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสร์ทั้งหลาย ภาษาริบุท์ได้กล่าวไว้ที่ในข้อความในมิลินทปัญหาพระนาคเกษเอามากล่าวว่าเอโกโมโนปสาโทสระคมณะมัญชลิปนามโมวาอุสหเตตรยตุงมาระพละนิสุทนเนพัทพุทเทแปลว่าความเลื่อมใสแห่งใจก็ดีการถึงพระองค์ว่าเป็นสาระก็ดีการน้อมอัญชลีไปก็ดี แม้แต่อย่างเดียวสามอย่างนี้อย่างไหนก็ได้ในพระพุทธเจ้าผู้ทำลายกำลังมานได้แล้วผู้ทำลายกิเลสมารมัจุมานขันธมารอภิสังขารมานเป็นต้นเนี่ยนะถ้าทผู้ที่เลื่อมใสแห่งใจต่อพระพุทธเจ้าผู้ชนะมานผู้ทำลายมานผู้ที่สามารถะนะความเลื่อมใสอ น, นั้นเนี่ยสามารถอย่างผู้นั้นให้ข้ามพ้นจากพบกันดารได้ ความเลื่อมใสยอย่างเดียวนะช่วยให้เขาพ้นจากพบได้เช่นมัตตกุณดลีเทพประบุเนี่ยนะอดีตชาติท่านก็เลื่อมใสในพระรูปของพระพุทธเจ้าก็ยังไปสุคติโลกสวรรค์มันดุกะเทพบุตรก็ฟังเสียงของพระองค์ก็ไปสุคติโลกสวรรค์ทั้งมัตตคุณดลีและมันดุกะเทพบุตรทั้งคู่ตอนหลังก็เป็นพระโสดาบันนะปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอริยชั้นสูงไปแล้วหรือยอย่างแต่ว่าเป็นผู้แน่นอนที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตแน่นอน